กยอมได้หนังสือหรือยังเพราะได้ไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้บรรยายธรรมเนาะดูหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดเที่ลงว่าพร้อมกันในสัเลฆะธรรมทมเป็นเครื่องขัดเกล้าเนี่ยอันหนึ่งความขาดเกลาอาคุศลรธรรมอันเศร้าหมองสี่สิบสี่ประการาแม้กิจตุปาบาทในภุศลธรรม ท, ทั้งหลาย ความตั้งใจที่จะเจริญกุศลรธรรม44ประการนี้เราตาคาคตยังกล่าวว่ามีอุปการะมากจะกล่าวไปใหญ่ในการจัดแจงด้วยการจ ะ, จะเล่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายคงทำความขัดตราว่ิเลศในพระพุทธศาสนานี้แลคือ ชนเราอื่นจะเป็นผู้มีความเบียดเบียนในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสองชนเราอื่นจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้สามชนเราอื่นจะเป็นผู้รักสัต์ในข้อนี้ ชนเหล่าอื่นจากเป็นผู้เสพ เ, เมถุนธรรมในข้อนี้เราจะประพฤติพรหมจรรย์ห้าชนเหล่าอื่นจากเป็นในข้อนี้เราจะงดเว้นจากมูสาวาหกช่วยเหล่าอื่นในข้อนี้เราจะงดเว้นจากปิสุนาวาจา ชวนเราอื่นจากพูดคำหยาในข้อนี้เราจะงดเว้นจาการุสวาจาแปชวนเราอื่นจากกล่าวคำเพื่อเจอในข้อนี้เราจะงดเว้นจากสัมผัสภราปะเกชวนเราอื่นจากเพ่งเล็งสิ่งผู้อื่นในข้อนี้เราจะไม่เพ่งเล็งสิ่งของของผู้อื่น สิชวนเราอื่นจะมีจิตพยาบาทในข้อนี้เราจะไม่มีจิตพยาบาทจะมีความเห็นผิดในข้อนี้เราจะมีความเห็นูสามาพิถีสี่สองคนเาอื่นจะมีความดับหริกในข้อนี้เราจะมีความดัหริบถูก สัมมาสังกัปปะสิทธิสโาอจจตมีวาจาผิในข้อนี้เราจะมีวาจามิสัมมาวาจาม่าอุจจะมีกางาผิดในข้อนี้เราจะมีกาณิกสัมมากรรมันตทห้าโชราอจจตีราชีผิ ในข้อนี้เราจะมีอาชีพปุตสามาอาชีวะศีโลชนเลาอื่นจจพิความเพยามเทีย่ยวในข้อนี้เราจะมีความเพยามปุตสามมาวายามะศีเจชนลาวุจจพิสติปิในข้อนี้เราจะมีสติปุตสามาสติ ในข้อนี้เราจะมีสมาธิถูกสัมมาสมาธิชนเหล่าอื่นจะมียา น, นั้นในข้อนี้เราจะมียานถูกสัมมายานที่สิชนเหล่าอื่นจะมีวิมุติผิในข้อนี้เราจะมีวิมุติถูสัมมา ที่สเชนเราอื่นจากนี้นักนิทธะกุ้มรวมในข้อนี้เราจะประาจากทีนักิทธะที่สชนเราอื่นจากมีนผู้ฟงซาในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซานที่ชนเราอื่นจากมีวิจิติสาในข้อนี้เราจะน้ำฝนจากวิจิติจฌา 24จนเราอื่นจะมีความโกรธในข้อนี้เราจะไม่มีความโกรธ25จนเราอื่นจะผูกโกรธไว้ <cartridges> ในข้อนี้เราจะไม่ผูกโกรธ26จนเราอื่นจะรบหลู่คุณท่านในข้อนี้เราจะไม่ลบหลู่ค <n assic> ุณท่าน27จนเราอื่นจะตีเสมอเขา ในข้อนี้เราจะไม่ดีเสมอเขาข้อสิบแปนาอื่นจะมีความวิสยาในข้อนี้เราจะไม่มีความวิสยาข้อสิบเก้านาอื่นจะมีความประดิษฐ์ในข้อนี้เราจะไม่มีความประดิษฐ์สามสิบจราอื่นจะโอ้อวดในข้อนี้เราจะไม่โอ้อวดสามสเอ็ คนเราอื่นจะมีมายาในข้อนี้เราจะไม่มีมายาสามคนเราอื่นจะดื้อดึงในข้อนี้เราจะไม่ดื่นดึงสมสามคนเราอื่นจะรู้มิ่นท่านในข้อนี้เราจะไม่ดูหมิ่นท่านสาสี 2. 2> ส่คนเราอื <ใ S 1> ่นจะเป็นผู้วายา ในข้อนี้เราจะเป็นผู้ว่าง่ายสามห้านเหล่าอื่นจะมีมิจฉุในข้อนี้เราจะมีกาญจนาลิปสามสิบหกจนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ประมาทในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทสามสิบเ็นเหล่าอื่นจะเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีศรัทธา 40. คนเราอื <là> <POSING kook> ่นจะเป็นผู้มีสุดตามน้อยให้ได้รดับในข้อนี้เราจะเป็นผู้มุสุเรียนรู้มา 41. คนเราอื่นจะเป็นผู้เกี่ยวกันในข้อนี้เราจะเป็นผู้ปารร้อความเพียร 42. คนเราอื่นจะเป็นผู้มีสติหลงลืมในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีสติมั่นคง ศีกษาจนเราอื่นจะเป็นผู้มีปัญญาสามในข้อนี้เราจะเป็นผู้ถือพร้อมด้วยปัญญาสี่นเราอื่นจะเป็นผู้ยึดถือเอาแต่ที่ดี่ของชนยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงและสลัดทิ้งไปได้ยากในข้อนี้เราจะไม่เป็นผู้ยึดถือเอาแต่ที่ดีของตนไม่ยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงและสละ ก็ตรงนี้เป็นเป็นสันเลขธรรมเป็นธรรมที่ควรสมาทานไว้ในใจควรตั้งมั่นตลอดเวลานะให้สังเกตดูนะว่าในเรื่องเนี้ยท่านพูดถึงในเรื่องการตั้งจิตให้ถูกตั้งเจตนาให้ชัดเขาเรียกว่าตั้งอธิฐานธรรมธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจให้แข็งแรง ทำไมจัตโลกทั้งหลายจึงอ่อนแอทั้งด้านความคิดเพราะไม่มีอธิฐานธรรมไม่ได้ตั้งไว้ในใจว่าตนเองจะเป็นผู้ขัดเกลาอย่างไรแล้วก็ไม่รู้จะตั้งหลักเอาพระธรรมข้อไหนมาแก้ไขอัธยาศัยคนตนเองพระพระเจ้าก็กล่าวในเรื่องของสเลกาธรรมเนี่ยทำเหตุการความขัดเกลาอากุโลรธรรม ก็หมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจที่อ่อนแอเพราะมีบาปอากุศลธรรมมลามกมาคอยกุมรุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นบุคคลที่สมาทานตั้งมั่นยกกุศลจิตให้เกิดขึ้นด้วยการเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการที่จะปลูกเรา้าคุณธรรมก็คือตั้งกุศลจิต ตุปปาฏหรือกุศลและธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นในใจเพื่อเป็นไปกับการขัดเกลาตนเองให้สภาพจิตนั้นมีกำลังที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงต้องสมาทานให้มั่นคงวันนี้ถ้าเรามาพิจารณาตามคำสอนชนเหล่าอื่นเป็นผู้มีความเบียดเบียนนะคำว่าเบียดเบียนก็คือยังคิดไม่ดีต่อคนอื่นอยู่ ยังคิดมุ่งร้ายต่อสัตว์อื่นอยู่และเราก็เคยโกรธคนอื่นเราก็เคยไม่พอใจบุคคลอื่นอยู่ฉะนั้นมองไปมองมาคนที่ควรขัดเราเป็นคนแรกกลายเป็นเราไม่ใช่คนอื่นฉะนั้นจึงควรสมาทานให้ตั้งมั่นว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจากไม่คิดเบียดเบียนใคร แม้เห algorithm. ็นบุคคลอื่นเบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นมดเห็นปลวกเห็นหนูเห็นแมลงเห็นสัตว์ทั้งหลายเห็นงูเห็นกบเห็นจระเข้มันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้นแม้เห็นมนุษย์เบียดเบียนซึ่งกันและกันคิดปฏิทุสลายต่อกันและกันเราจักเอาข้อนั้นแหละมาเป็นเหตุแห่งการสมาทานให้มั่นคงว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้มีความเบียดเบียนในข้อนี้ เราก็สมาทานสำทับไปในใจให้ชัดเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครอีกแล้วเราจะไม่คิดให้ใครวิบัติเราจะไม่คิดให้คนเขาต้องมีอันเป็นไปทุกประเด็นนะ ไ, ไม่คิดให้เขาตายไม่คิดให้เขาวิบัติไม่คิดให้เขาหมดเนื้อหมดตัวไม่คิดให้เขาแตกแยกจากคู่ครองไม่คิด ให้เขาต้องประสบความทุกข์ความยากความลำบากอีกแล้วแต่เราจะคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครอีกแล้วนั้นการตั้งสมาทานอย่างนี้ถ้าสภาพจิตยังอ่อนแอก็สมาทานให้มั่นคงสมาทานอย่างไรถึงสภาพจิตใจถึงจะมั่นคงก็คือความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยที่ได้กล่าวไว้แล้ว